วันนี้รู้สึกว่าพระลงมาชั้นน้อยวันเนี่ยพระสามสิบหกลงมาชัน้นยี่สิบสองขาดไปสิบสี่วันเนี่ยเป็นเพราะหลวงพ่อบอกให้เอาเนจะชิเมื่อคืนนี้ก็ไม่รู้เรางั้นนหลวงพ่ออดนอนไว้เสให้ภาวนาการทำความภาคเพียรต้องมีหนักมีเบาจะเบาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะหนักอย่างเดียว ตลอดไปก็คงจะหนักไปต้องมีบักหนักมีเบาเป็นบางครั้งบางครั้งก็อดอาหารอดนอนทดลองหนสิอดนอนเป็นยังไงบางท่านบางองค์ตั้งแต่บวชมาก็ยังไม่เคยอดนอนเลยเป็นยังไงอดนอนภาวนาเป็นยังไงถึงจะสบะงบงงว่วงมันได้อะไรมันเสียอะไรเราก็จะได้เรียนรู้การอดอาหารของเหมือนกันอดมากอดน้อยมันเป็นยังไง เราก็จะได้เรียนรู้คือม า, าเรามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้แต่เรียนรู้ทั้งหมดจุดประสงค์จุดใจก็คือเข้ามาสู่ทางด้านจิตใจถึงจะทํำยังไงเราก็ให้ดูใจแต่ถ้าหากว่ากายของเรามันไม่กระเทือนเสียเลยกายของเราอุดมสมบูรณ์ มันก็ทับใจมันบีบบังคับใจบีบบังคับอย่างไรหลวงพ่อเคยพูดเหมือนกับช้างช้างที่เขาเลี้ยงอ้วนหมีพีมันอุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้เอาไปทำการทำงานหรือว่าทการทำงานน้อยมากแต่เลี้ยงสมบูรณ์ช้างมันก็ตกมัน พอช้างตกมันทีนี้มันไม่รู้จักเจ้าของมันตกมันใครๆก็ว่ามันมันเมาหรือว่ามันเป็นบ้าบ้าตัวนี้คือบ้าตัวไหนคือสรุปแล้วก็คือเรื่องการมกิเลสบ้าการมกิเลสมันขึ้นปิดหูปิดตามันพอที่สุดเนี่ยมันคลั่งทีนี้มันคลั่งไม่รู้ตั้กระทั่งเจ้าของมันฆ่ากระทั่งเจ้าของทิ้งไม่ว่าใครทั้งหมดวังแค่ไหนขวางหน้าฆ่าทั้งหมด ขนาดหมูก็มันยังกลัวนะหมูช้างที่ตัวหนึ่งมันคลั่งนะหลวงพ่อเคยได้ยินนะเขาเคยเลี้ยงช้างอยู่อำเภอน้ำโสมก็ว่าช้างตัวหนึ่งมันเป็นมันตกมันเหมือนันมันไกลกันนะหลวงพ่อนะงัน้นเดินทางมาตั้งสองวันก็ยังไม่ถึงตรงนั่นอนะ่ะตรงที่มันอยู่กันแต่ทำไม ตัวนี้ตกมันทําไมตัวนั้นมันดิ่นเลยตัวนั้นอ่ะมันอาจจะถูกกลิ่นกันก็ไม่รู้หรื อ, อยังไงก็ไม่รู้แหละมันดิ่นเหมือนจะโซ่จะขาดอย่างนั้นแล้วงั้นพอปลดเชือกให้ทั้งนั้นแหละโอ้โหมันทั้งวิ่งทั้งอะไรมันหนีหนีเตลดเิดเปิดเปลงเข้าไปไกลที่สุดจากนั้นกไอตัวนี้ก็นั่นแหะตามไปหาตัวนั้นแล้วงั้นแหะเนี่ยตัวที่ตกมันเนี่ย โอ้กว่าจะจับได้กว่าจะมันจะรู้ตัวคนที่จะจับมันได้พอแรงคือมันไม่เห็นใครเลยหละงั้นมันจะฆ่าใครไปขวางหน้ามันฆ่าทั้งหมดนี่แหละอันนี้คือช้างเพียงมันตกมันเท่านั้นก็น่ากลัวมนุษย์ของเราก็เหมือนกันถ้ามันคลั่งขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันอย่างพระกรรมฐานเนี่ยใหมาดูใจ ให้ดูใจตนเองทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ดูรูข่านนี้ว่นเนี่ยการอดอาหารถ้าอดอาหารก็ใช่การเป็นการทรมานร่างกายแต่มันก็กระเทือนถึงใจด้วยเหมือนกัน mm hmm. เพราะเหตุไรเพราะร่างกายมันหมดกำลังพอหมดกำลังใจเขาก็มันก็ขึ้นคล้ายๆว่า พิจารณาอะไรก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวเข้าสู่ความสงบไป็ง่ายแต่ถ้าว่ากายของเราคึก ข, ขนองอยู่ตลอดใหญ่เป็นเบี้ยล่างของร่างกายจะภาวนาจะทําอะไรเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องร่างกายเพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้พิจารณาให้สังเกตตัวเองให้มันสมดุลกันอย่าให้มันร่างกาย มีกำลังมากจนเกินไปแล้วก็อย่าให้ร่างกายของเราอ่อนด้อยจนเกินไปนี่แหละอันนี้เรามัตชิมาคือสรุปแล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราผู้ปฏิบัติเองแต่ถ้าว่าพวกเราไม่สังเกตกเราจะไม่รู้นะมีแต่ทุกข์มีแต่ร้อนว่าทําไมใจของเราจึงไม่สงบใจของเราจึงหลั่งหลายไปทางนู้นอยู่ตลอดไปล่าเวลามันหลังหลายไปทางต่ำอยู่เสมอเพนะราะนั้น ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนักปฏิบัตินักสังเกตจิตนะนักสังเกตใจไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเองการภาวนาด้า น, นเราภาวนาเราจะยึดอะไรเป็นหลักอันนั้นคือสมถะคือความสงบแต่ส่วนวิปัสสนาการก็คือความนึกคิดให้รู้จักจิตให้รู้จักความนึกคิดให้รู้ให้ทันความนึกคิดเดี๋ยวนี้เรานึกคิดอะไรถ้าเมื่อเราพิจารณา ธาตุขันร่างกายกับพิจารณาไปอย่างนั้นคือมันไม่ซึ้งคือมันไม่ซึ้งคือมันเห็นด้วยสัญญากับสังขารสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งทนเองแต่ถ้าว่าเราเห็นด้วยปัญญามันอีกต่างหากนะเพรา ะ, ะนั้นพวกเราต้องฝึกฝนฝึกฝนให้ให้เห็นด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยคือเรื่องละเอียดอ่อนมากอย่างพิจารณาตะกอนเราภาวนาถึงบรณรุสติเนี่ยคือความตายเนี่ย โอยคนก็นตายนกก็ตายทำไมช้างมาวัวควายก็ตายหมูหมาเป็ดไก่ก็ตายพวกปลาพวกกบพวกเกียดแต่ละวีแต่ละวันตายอยูใ่ในบาดของเราเรายังกินอาหารเป็นอาหารอริอร่อยอีกต่างหากมีแต่กินอาหารพวกสัตว์มันตายธรรมดาแต่ทีนี้เราคิดว่าเรื่องธรรมดานะแต่พอมาถึงตัวเองเข้าแต่นี่คุณเป็นมะเร็งนะนะคุณคงจะอยู่ไม่นานเท่านั้นแหละเขาอ่อนเลย มันทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมไม่คิดว่าเป็นธรรมดาเหมือนแตกน่ก่อนก่อนแต่พอตัวเองจะเจอเจอเจ อ, เจอเข้าจังๆทำไมมันเข้าอ่อนอย่างนั้นแต่ก่อนก็เคยพูดธรรมดาเออหมอไม่เป็นไรหรอกบอกผมได้เลยผมทําใจได้ล่ละถึงจะเป็นอะไรผมก็ทําใจได้หมอก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะอีกไม่นานมันเข้า ร, ระดับขั้นสามแล้วนะเท่านั้นแหละได้พยุงปีกเลยว่างั้นเถอะเพราะเหตุอะไร แต่ก่อนมันเห็นด้วยสัญญามันเห็นด้วยความคิดปรุงเท่านั้นเห็นด้วยสังขารคือความปรุงแต่งเห็นด้วยสัญญาคือความจำได้หมายรู้แต่มาเจอของจริงเข้าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นใชแล้วจนี่แหละอันนี้คือความตายเพราะนั้นเราฝึกฝนให้เห็นออกมาจากก้นก้นบึงของความคิดน่ะให้เห็นความตายจริงๆความตายที่ความจะพัดภาคนนั้นมันมีความทุกข์ขนาดไหนอันนี้เราอยากจะให้พวกเรารู้ว่าความตายน่ะมันเป็นยังไง นี่แหละให้พานาถึงความตายจางพิจารณาเวทนากูเหมือนกันเวทนาก็ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็คือเวทนาหิวกรหายน้ําหิวก็หายอาหารแล้วก็ถูกความร้อนความหนาวอย่างเนี้ยอันนี้ก็เวทนาเคยผ่านมาแล้วไม่มีอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยปวดแข้งปวดขาขนาดเนี้ยโชวอะไรแล้วแต่เราลืมคิดว่าเวทนาตัวใหญ่ๆตัวหนักๆนะ เมื่อใจจะขาดตะลีตะเหลือ ก, กระเสือกกระสนตัวนั้นละ่ะที่เราไปเห็นที่สัตว์จะตายคนดีถ้าคนจะตายคนดีเราให้ดูเวทนาตัวนั้นเมื่อถึงจุดนั้นละ่ะเราเข้าอยู่ห้องไอซีคนเดียวแล้วก็เข้าน้ําเกลือแล้วก็เอาเครื่องช่วยหายใจบางทีก็หลับไปบ้างบางทีก็ตื่นไปบ้างบางทีก็หลับไปบ้างถ้าว่าเราเขาไม่ให้ยานอนหลับนะเรามีความรู้สึก เราจะมีความว้าวิวอ้างว้างเงียบเหงาขนาดไหนอยู่ในห้องไอซียูนั้นมีถิถะคอยวันตายนั่นแหละเวทนาตัวนั้นเป็นเ ว, เวทนาที่ทุกมากเพอเพอแล้วเขาเอาเส้นยางแยงเข้าไปในปากแยงเข้าไปในจมูกสำลักออกมาเพื่อให้เสเลดออกมาอย่างนี้นเห็นแล้วโอ้เฮ้มันทุกขนาดไหนน่นะเวทนาอันนั้นปู่ทวดของเวทนาแหละขุนศึกขั้นประหาร ของเวทนาแล้วนะ่ะมันจะประหารเราเวทนาก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าเราพิจารณาดูให้ท่วนที่สรุปแล้วก็คือมันอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือการพิจารณาตายความตายก็ดีพิจารณาอสุภะก็ดีพิจารณาเวทนาของกายก็ดีอันนี้มันเป็นหินลับปัญญาไม่ให้พวกเราลุ่มหลงมัวเมาไม่ใช่ว่าอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวัน ดูเป็นวันวันไปไม่ใช่เราต้องให้รู้รอบขอบคิดว่าร่างกายอันนี้เนะี่ยทีแรกมันอยู่ดีๆอย่างเนี้ยเราก็เออสวรรค์วิมานมีความสุขสบายดีแต่อีกสักวันหนึ่งอันนี้แหละตัวเนี้ยนะตัวที่ว่าสุขสบายเนี่นะจะเป็นตัวทุกที่สุดทุกที่สุดทุกที่สุดของไข่ของตัวของเรานั่นทุกที่สุดของใจสรุปแล้วคือทุกที่สุดของใจเหมือนกับเราซื้อรถราคาแพงแ พ, ง, พงที่สุด เราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างซื้อรถคันนี้เหมั้นกัะมีเงินเท่าไหร่ซื้อรถคัน น, น, นี้ทุ่มทั้งจิตทุ่มทั้งใจทุ่มทุกอย่างซื้อรถคันนี้แต่พอวิ่งไปรถไปเฉียวไปชนหรือว่ารถหม่อน้ำแตกกันรถมันไม่ได้ทุกนะแต่คนที่ลงขันเนี่ยคนที่ไปซื้อมันเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของมันทุกที่สุดเพราะเหตุเพออราะว่ารถ มันเสียรถคันนี้เป็นรถแพงที่สุดนี้ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่มีใครที่หวงแหนยิ่งกว่าร่างกายไม่มีเงินคําทรัพย์สมบัติอย่างอื่นถึงยังไงก็ยังสู้ร่างกายของเราไม่ได้ร่างกายของเราราคาแพงที่สุดหวงที่สุดรักที่สุดไม่มีอะไรที่จะรับยิ่งกว่าชีวิตรักกว่าร่างกายแต่อีกสักวันหนึ่งนะร่างกายเนี่ยจะแปรปวนเปลี่ยนแปลง จะถึงจุดจบแก่ชะามลณะเข้ามาในที่สุดพวกเราเนน่ยจะเสียใจที่สุดถ้าว่าไม่มีธรรมในใจถ้ามีธรรมในใจแล้วถ้าได้พิจา ร, รณาวไว้แล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั่นแหละก็จะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสภาพของมันสัพเพสังคาราอนนจารนะ์สังขารทั้งหลายมันก็ต้องไม่เที่ยงอย่างนี้ สเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายมันก็เป็นทุกอย่างนี้สัเพธรรมาอนัตตาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งหมดนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายดูกายของพวกเราถึงร่างกายตัวนี้มันจะแตกตายสลายยังไงแต่ว่าเงินเราฝากธนาคารไว้แล้วเราไม่ได้เอาเงินไว้ในร่างกายนี้เราไม่ต้องขนทรัพย์สมบัติออกจากร่างกายนี้หรอกมีแต่ว่าถึงเขานั่นแหละ เรามีเงินฝากธนาคารเงินสดอยู่แล้วเมื่อถึงข่าวจุดจบมาแล้วเมื่อรถคันนี้ไปเราก็พร้อมที่จะไปเปลี่ยนรถคันใหม่ได้แบบสบายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้แจง้งเห็นจริงเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติในใจของเราเป็นบรมรสุขเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาขานาคาอรหรันเหมือนกับเรามีเงินอยู่ในใจของเราแหละคังคือใจคังคือบุญคังคลังคือบาป อยู่ในใจใจเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปเขาว่าคลังเป็นคิดเก็บสะสมมันไม่ใช่เอาแต่ของเงินคําทรัพย์นั้นอยู่ในใจของเราความชั่วช้าลามกมันก็อยู่ในใจของเราอีกเหมือนกันถ้าเราไปฆ่าเขาไปขโมยเขาไปป้นไปทําไม่ดีกับเรื่องต่างๆเรื่องทั้งหลายบาปอากุศลทั้งหลายมันก็เข้ามาสู่ใจของเราใจของเราก็ห น, นักอึ้งไปด้วยความทุกข์เหมือนกันอาเกืงองพิโรกิเลส อ, หอัหนักอึ้งไปโดยบาปกรัมหนักอึ้งไปโดยบาปอากุศลในจิตในใจแต่ถ้าเราสั่งสมตระกูลงามความดีบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของเราเหมือนกันเต็มไปหมดเหมือนกับเป็นคลังกระจัดกิเลสคือราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจใจของเราเป็นบริสุทธิ์ใจปของเราเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาสกตาคาอณาคาอารหันน่าเมื่อเป็นอรหันแล้วในจิตใจของเราแล้วนานละ แปลว่าเราบริบูรณ์ด้วยทรัพย์อยู่ในใจของเราใจของเราเป็นคลังรับคุณงามความดีเต็มไปหมดถึงจะรถคันนี้จะเสียไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเหตุอไรเพราะเราจะต้องเอาคันให้ดีกว่านี้อีกรถคันนี้เป็นเพียงภาชนะดินท่านั้นเองที่เราจะต้องเอามาใช้อีกเป็นภาชนะทองคาภาชนะเพชรนินจินดาอีกต่างหากประดับตกแต่งสสวยงาม เราจะไปห่วงอะไรกับภาชนะดินนี่แหละถ้าหาว่าเราพิจรารณาทำนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะนั้นเราพิจารณาถึงความตายก็ดีพิจารณาอาสุภาษก็ดีพิจารณาเวทนาก็ดีมันเพียงแต่รวบรวมคาคําภายนอกตนเองมันไม่เห็นอย่างลึกซึ้งในจิตใจอย่างที่ว่าเห็นลึกซึ้งคืออะไรเห็นออกมาจากจิตใจจริงๆอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างแต่ก่อนก็เพราว่า เป็นมะเร็งนะตายนะธรรมดาเห็นคนอื่นตายธรรมดาแต่พอเห็นตัวเองจะตายเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ธรรมดานะความทุกตัวนี้นั่นแหละเอาความทุกจุดนั้นแหะจุดที่ว่าไม่ธรรมดาในความรู้สึกจุดนั้นแหละนำมาคิดนํามาพิจารณามากันกรองไตรตรองเหตุและผลนั่นแหละจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานะปัญญาจะเกิดในจุดนั้นในเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วนะมันจะยึดอะไรเป็นหลักกัน มันมีแต่ความเกิดความเบื่อหน่ายคลายถึงจะเกิดพบหน้าชาิหน้ามันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเกิดมากี่พบกี่ชาติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นนนนนในความรู้สึกอย่างนี้มันจะต้องเกิดในจิตใจของเราทุกพบทุกชาติในเมื่อมีพบมีชาติอยู่เพราะนั้นเราท ำ, าทำไมจึงไม่หาหนทางหาหนทางคือทำคาสอนของพระพุทธเจ้าทนว่มามีหนทางหนีนะหนีจากความเกิดแก่เจ็บตายมีจากนั้น พ, พระพุทธองค์ก็สอน เพราะนั้นเราต้องศึกษาจุดนี้ศึกษาก็คือวิปัสสนาเนี่นะเดินวิปัสสนาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลในเมื่อพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเรารู้แจ้งเห็นจริงสลัดทิ้งเลยทนะไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางปล่อยที่ไหนปล่อยที่ใจหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่ใจเบื่อหน่ายที่ไหนเบื่อหน่ายที่ใจนิ่พิธาคือความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจนั่นแหละเป็นพระรหันต์ไม่ใช่อื่นไกลนะ ผู้รู้นั่นแหละแต่ก่อนความโง่กับความฉลาดมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ในคนคนเดียวกันอยู่ในใจดวงเดียวกันแต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องต่างๆเมื่อเราไม่ได้ศึกษาเราไม่รู้กอไกเอบซีดีหนึ่งสสหวันทูทีโฟไฟภาษาอังกฤษากภาษาจีนมีตั้งเยอะแต่เมื่อเราไม่รู้เราก็โง่แต่เมื่อเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ฉลาดความโง่กับความฉลาดมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาในจุดเดียวกัน อันนี้ก็เหมือนกันนะความรู้แจ้งกับความอวิชชาก็คือมันเกิดในจุดเดียวกันนั่นแหละมันออกมาจุดเดียวกันความรู้กับความฉลาดตัวรู้ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วความไม่รู้ก็ตกไปอวิชชาก็ตกไปเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจจะหลุดพ้นที่ใจไม่เป็นอย่างอื่นนะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ให พวกเราในแนวความคิดอันหนึ่งเพื่อเป็นการศึกษาการเรียนรู้ในการปฏิบัติต่อไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร